พนอบน้อมพระรันตนไตคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอาการพระอาจารย์ทรงศินแล้วก็เพื่อนสถารันพิทุกท่านนะอาจะรย์พรไม่ชี้แล้วก็ญาติธรรมทุกคนก็นั่งฟังกันตามสบายเนาะอย่างที่พระอาจารย์ทรงศินว่าวนะหลวงพ่อคาเขียน ถ้าจะเอ่ยขึ้นไปอีกก็หลวงพ่อเทียนนะเอ่ยขึ้นไปอีกก็คงระดับพระพุทธเจ้าเนาะก็เป็นร่มโพร่มใส่นะหลวงพ่อคำเขียนเองก็บอกนะท่านเองก็เป็นนิโคทใหญ่ใบดกกนะิ่งก้านปกนะเบื้องบนคนอาศัยนะเชิญพักผ่อน หายร้อนแล้วค่อยไปนจะสุกกายสุกใจร่มเย็นเนะมื่อเห็นธรรมท่านก็เปรียบเทียบที่จริงก็คงไม่ได้เปรียบเพื่อจะยกตัวเองให้ให้ยิ่งใหญ่เนาะแต่เปรียบเพื่อเห็นว่าถ้าพวกเราเหนื่อยพวกเราร้อนพวกเราทุกขนะ์ให้ให้มาที่ตรงนี้นะให้มาที่ร่มโพล่มใสตรงนี้นะ เราก็จะหายทุกหายร้อนได้นะนะเมื่อเนะี่ยสองวันนะเมื่อวานกับวันก่อนนะก็ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยนะที่โรงพยาบาลที่ห้องไอซก็เป็นญาติธรรมที่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละนะแต่ก็มีใจบูรณนธิทานนะ เาราไปบินธบาทก็ใส่บาทเป็นประจำทุกวันนะชอบไปบุญนะชอบไปทำบุญไปรักษาศีล น, นะแต่ก็ก่อนที่จะป่วยก็ก็เป็นคนที่แบบใจบุญใจดีนะแต่ก็ก็เครียดง่ายนะก็ทุกง่ายเหมือนกันนะก็ยังคล้ายๆยังจิตใจก็ยังอยู่ระดับ ไฟบุญนะแตนะ่ก็ใกล้คิดหลวงพ่อนะอยู่วัดบ้านอยู่ใกล้ๆกล้วัดภูเขาทองได้เห็นหลวงพ่อมาหลายปีได้ทำบุญได้ฟังธรรมบ้างนะแต่ใจก็ยังปล่อยยังวางไม่ได้นะแต่พอเข้าห้องไอซนะใส่ท่อทางปากนะหายใจเองไม่ได้มาหลายวันนะ หมอบอกว่าเนะี่ยถ้าป้าหายใจเองไม่ได้นะอาจจะต้องเจาะคอนะนะป้าเองก็คงไม่อยากเจาะคอนะนะแต่ถ้าป้าไม่อยากเจาะคอนะนะป้าต้องพยายามฝึกหายใจเองนะฝึกหายใจเองพระอาจ า, ารย์ไพศาลท่านก็ไปเยี่ยมนะพระอาจารย์ตงหมิงก็ไปเยี่ยมอัตมาก็ไปเยี่ยมสองวัน ก็หลังจากที่ว่าอาจารย์ท่านไปเยี่ยมก็ดีนะแต่เอามาไปเยี่ยมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะเก็พูดถึงบุญกุศลที่โยมเขาเคยทำมาก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งนะเนี่ยจำได้ไหมเนาะหลวงพ่อคำเขียนสอนอะไรนะอนอนอยู่แบบนี้ก็พลิกมือนะพาเขาพลิกมือนะพลิกมือง่าย พลิกมือควนะ่ำจำได้เนาะออจำไดนะ้เขาพูดไม่ได้นะแต่ก็สื่อสารได้ก็ไปอยู่เป็นเพื่อนนะพลิกมืออยู่ข้างเตียงเนี่ยแหละนะวันแรกยี่สิบนาทีนะก็ทำได้แบบดีสงบขึ้นเนะมื่อวานไปเยี่ยมอีกนะกออ็บริหารกายด้วยนะพลิกมือ ไปด้วยเนะีะรวม30นาทีกว่ า, ก, วาก็ทําได้ดีนะคือพอหลังจากที่แกได้ฟังทำก็ดีเนาะนะนะแล้วก็ได้ปฏิบัติทำไปด้วยเนะี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องคล้ายๆมีท่อทางปากก็จริงแต่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะไม่ต้องใช้เครื่องตีตีลมเข้าไปนะ ให้แกได้ฝึกหายใจเองได้แกก็หายใจเองได้นะคืออาการดีขึ้นมากหลังจากที่ตอนแร ก, แรกอาการหนักมากโคมา่าจะเป็นจะตายก็ลูกหลานก็กลับมามาเยี่ยมกันหมดลนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องเจาะคอไหมแม่ไม่อยากเจาะถ้าไม่เจาะถอดท่อออกไปก็อาจจะหายใจเองไม่ได้ คนเราหายใจไม่ได้ก็ตายเนาะก็แค่นั้นแต่แกพอคิดถึงตอเนี้ก็อาจจะคิดถึงว่าตัวเองอาการหนักอะไรที่เป็นภาระในใจก็เริ่มปล่อยเริ่มวางไปนะอะไรที่เป็นเป็นห่วงนะเป็นทุกข์กองบนใจก็ปล่อยวางไปได้นะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานลูกถามว่ากลัวอะไรไหม สายหน้าไม่มีห่วงอะไรไหมนะสายหน้าไม่มีเหมือนกันนะทางที่ก่อนหน้านั้นนะเป็นคนขี้กลัวเป็นคนที่ห่วงนั่นห่วงนี่เยอะมากแต่พอถึงค่าวที่รับขันเนาะธรรมะเองที่เคยฟังมาก็ดีหรือว่าสติที่เคยฝึกมาก็ดีแม้ก่อนหน้านั้นก็อาจจะไม่ ไม่ได้มักได้ผลอะไรนะแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะบุญกุศลที่ได้ทำก็ก็มาส่งผลตรงนี้นะนะบุญกุศลที่ได้ทำธรรมะที่เคยฟังสติที่เคยฝึกนะก็ถือว่าแม่ก็เป็นคนที่นะโอกาสดีนะโอกาสดีที่ได้มีเวลา จะเดินนี่แหละจะเดินมรณสตินะเป็นการพิจารณาถึงชีวิตนะว่าเราใกล้จะตายแล้วนะเมื่อเราใกล้จะตายแล้วสิ่งอะไรที่เรายังห่วงยังอะไรอาบอ์ยังกังวลอยู่นะก็ให้รู้จักปลดรู้จักปลงออกไปจากใจนะโยมเขาก็ทำได้เมื่อทำได้แล้วก็พอใจสบายนะใจสงบก็อยู่ได้นะ อยู่กับอะไรก็อยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายนี่แหละนะอยู่กับการพลิกมือนะนอนพลิกมือเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะอยู่ในห้องอยู่ในเตียงคนเดียวก็อยู่กับตัวเองนะจิตใจถ้าอยู่กับตัวของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ไปคิดกังวลอะไรนะส่วนใหญ่คนเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความคิดนะ ทุกเพราะสังขารมันปรุงแต่งทุกเพราะว่าจิตใจไหลไปกับสิ่งที่ปรุงแต่งนะถ้าเรารู้ทันสังขารรู้ทันการปรุงแต่งนะละการปรุงแต่งเสียได้นะเป็นสุขอย่างยิ่งนะนะบทนะพิจารณาบทอะไชักบางสกุลนะบังสกุลไม่ใช่ชักเอาผ้าเฉยๆน่โยนนะ ประดาภาสวดบางสกุลที่จริงเนี่ยส่วนเพื่อพิจารณาเนี่ยนะสังขารมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะทาราละนะการปรุงแต่งเสียได้เนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะอันนี้คือเราพิจารณาตรงนี้นะสังขารมันเกิดขึ้นนะแทบทั้งวันนั่นแหละ น, ะ, นะทั้งทั้งกลางคืนบางทีก็เป็นความฝันนะเมื่อเรานอนฝันเราก็นอนไม่อิ่ม หรือบางทีก็นอนไม่สะดุ้มสะดือนะตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยนะถ้าฝันได้นะบางคนวางไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องที่เราฝันอยู่นะมามทําไมถึงฝันแบบนี้นะหรือกลางวันเองก็มาในรูปของความคิดปรุงแต่งตารพัชที่จริงมันก็เกิดของมันเองนะมันมีเหตุของมันอยู่นะ เพราะอะนะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่ตัดนะเหตุของความทุกข์คือตัณหาได้แบบเด็ดขาดไม่ได้รักความโรคโกรธดงได้อย่างเด็ดขาดมันก็ยังมีรากเหง้านะเหมือนกับหญ้าเหมือนกับวัชพืชต่างๆมันยังมียังมีหัวยังมีมเมล็ดพันธุ์อยู่ในดินนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่ออากาศดีเมื่อฝนตก หญ้าหรือเมล็ดพันธุ์มันก็งอกขึ้นมาบนดินนะเป็นธรรมดามันห้ามไม่ได้นะจิตใจนี่ก็เหมือนกันจิตใจที่ยังมีรากของเอนะความโลภความโกรธความหลงอยู่นะมันก็ย่งงอกนะเป็นธรรมดาเราห้ามมันไม่ได้นะเราห้ามไม่ได้นะมไมไดแต่สิ่งที่สําคัญคือเราฝึกให้เกิดการรู้เท่าทันนะ การมีสติคือการระลกรู้แค่นั้นเองนะรู้ทันเวลาความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตนะให้เรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันนะมันเหมือนสติมันเหมือนเป็นใบมีดนะเช่นสมมติยามันงอกขึ้นมาสติเหมือนกับใบมีดที่มันตัดหญ้านะให้มันขาดไปแต่ถามว่ามันตัดถึงรากถึงโคนไหมมันยังไม่ถึง มันตัดแค่เหมือนหญ้าข้างบนก่อนนะต่อเมื่อปัญญาเราเต็มรอบนนแหละนะปัญญาในการเห็นอะไรนะเห็นสังขารนะไม่ว่าจะเป็นรูปธปรรมก็ดีนามธรรมก็ดีนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันละนะละความเห็นผิดว่ารูปเนี้ยแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นของเรานะ ถ้าเราเห็นว่ามันก็เป็นเพียงแค่รูปนะเราก็ละความเห็นผิดตรงนั้นได้นะ่ะจิตมันก็ปล่อยก็วางไปนะมันก็เหมือนถอนรากถอนเง่าของความความหลงความไม่รู้นะแต่ก็ต้องอาศัยการเห็นแล้วก็ตัดไปก่อนนี่แหละนะสะสมไปเรื่อยๆรื่อยเรียกว่าจะเดินนะหรือว่าทำให้มากนะจะเดินสติให้มากจนเป็นมหาสตินะ เป็นสติที่มันมีกําลังขึ้นนะต้องอาศัยการสะสมพวกนี้ไปเรื่อยๆนะบางทีทําวันนี้ยังไม่เห็นผล น, นะก็ไม่เป็นไรนะทําไปเรื่อยๆสะสมกําลังไปเรื่อยๆนะพอกําลังมันมากนะมันก็ถอนรากเหง้าหรือว่ามันก็เกิดการเห็นนะที่มันชัดขึ้นนะแต่จริงมันก็ไมไ่ถึงขนาดนั้นหรอกนะที่จริงอนุภาพของการ เจะเดินสตินะถ้าเราดูดีๆนะจะพึ่งดีบไปไหนนอยากไปกังวลอะไรนะเพียงแค่พิกมือรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวกินข้าวรู้สึกตัวตอนที่เรารู้สึกตัวตอนนั้นน่ะมันมีทุกข์ไหมทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้นะเพราะอะไร ความรู้สึกตัวเข้าไปแทนทีนะ่จิตเรารับรู้อารมณ์ได้ทีได้ย่างเมื่อจิตมันรู้สึกตัวแล้วจิตมันไม่ทุกเมื่อจิตมันรู้สึกตัวแล้วจิตมันไม่ปรุงแต่งอันเนี้ยคือสาคัญมากนะมาตอนที่พายโยมเขาปฏิบัตินะก็ให้เขาทําไปเรื่อยๆนะตอนท้ายก็ถามตอนที่พริกมืออยู่มันทุกไหม หยมก็บอกไม่ทุกข์ืะก็ใส่หน้าไม่ทุกข์ตอนที่พลิกมืออยู่มันคิดไหมนะก็เขาก็ประมาณว่าก็คิดนิดหน่อยนะนะแต่ก็กลับมาที่ความรู้สึกตัวได้ใช่ไหมนะเนะขาก็พยักหน้ากลับมาได้กลับมาได้นี่แหละนะถ้าเราสังเกตจริงๆมันไม่ต้องไปรอว่าเราจะต้อง เป็นพระอระหันต์ต้องรอไปนิพพานเนาะแต่ที่จริงมันก็ได้สัมผัสกับนิพพานก็คือความไม่ทุกข์นะทุกขณะที่เรารู้สึกตัวจริงๆนะแต่ต้องทำแบบเรียกว่าทำแบบไม่เอาอะไรถ้าเราทำเพื่อหวังจะเอาอะไรเนี่ยใจมันใจมันจะไม่เป็นกลาง หลักจริงๆสำคัญคือใจให้เป็นกลางนะทำแบบไม่เอานะทำแบบไม่หวังแนะม้จะมีความคาดหวังในการมาปฏิบัติอะไรก่อนก็วางไปก่อนนะขนาดที่ทำเนี่ยเหมือนทำแค่ให้รู้สึกเฉยๆเคลื่อนก็แค่รู้สึกนะหยุดก็แค่ให้รู้สึก ใจคิดเองก็ให้แค่รู้สึกนะรู้สึกด้วยความเป็นกลางนะถ้าเราไม่รู้สึกด้วยใจที่เป็นกลางหรือทราภาษาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขียนบอกให้รู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆเนะี่ยใจมันจะเข้าไปเกิดการมีเวทนานะมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความสุขมีความทุกข์นะชอบใจไม่ชอบใ จ, ใ, จใน อารมณ์ต่างๆมันก็คือความหลงนะนะเช่นสมมุติปฏิบัติแล้วมันฟุ้งซ่านใจมันก็จะไม่ชอบนแทแต่ถ้าเราแค่รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมันก็จบนะแต่ถ้าเราไปรุง ม, มันไม่ชอบเนะี่ยมันก็เรื่องมันก็ยาวเรื่องมันก็ยาวเหมือนสมมติเราปฏิบัติแล้วอาจจะมีคนพูดน เสียอย่างงั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราแค่ก็แค่ได้รู้ได้ยินเสียงที่เขาพูดมันก็จบแล้วนะแต่ถ้าใจเราไปปรุงในเสียงที่เขาพูดทำไมพูดอ่ะอาจารย์ไม่ให้พูดนะเนี่ยเราจะนอนแล้วทำไมยังพูดอยู่อะไรแบบนั้มันก็ปรุงไปในใจเรานะไอ้ที่พูดจริงๆต่อคือใจเราพูด <c oughs> มันพูดข้างในนะ ไอ้ที่มันนำคาญที่มันทุกข์จริงๆคือใจที่มันปรุงแต่งในใจนี่แหละนะไอ้เสียงที่มันปรุงไปแล้วพูดไปแล้วได้ยินแล้วมันก็ผ่านไปความคิดที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่เรารู้ทันมันก็มันก็เป็นอดีตไปแล้วนะเนะี่ยหลักสําคัญคือไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจนะเพียงแค่รู้มันนะเพียงแค่รู้นะ ให้เราทันมันนะถ้าใจเรามีสตินะแค่รู้ด้วยความเป็นกลางเนี่ยมันจะมีสมาธินะเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่ว่ามันไม่คิดไม่ใช่ว่ามันจะสงบนะสัมมาสมาธิคือความความตั้งมั่นของจิตที่ไม่ไหลไปกับความคิดตั้งมั่นของความตั้งมั่นของจิตที่ไม่เผลอไปปรุงต่อนะ เห็นด้วยความเป็นกลางด้วยความตั้งมั่นเนี่แหละคือสัมมาสมาธินะแต่ไม่ใช่สมาธิว่าจะต้องสงบอย่างเดียวนะการมีสติเนี่ยจะทำให้เราเกิดสัมมาสมาธิตัวนี้แหละนะมันจะมีไปด้วยกันนะทั้งสติทั้งสมาธินะทั้งปัญญานะปัญญาระดับที่เนี่ยตัดนะการปรุงแต่งทีละขณะทีละขณะทีละขณะนะปัญญาในการ เห็นเนี่ยเห็นรูปมันเดินเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเนะยแต่เช่นยังเห็นเป็นตัวเราเดินเนะ่ขาของเรามือของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยมันยังไม่ใช่เห็นรูปเห็นนามนะมันยังเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเมื่อเป็นตัวเป็นตนมันก็ยังรู้สึกว่าตัวตนเนี่ยมันผูกพันเนี่มันเป็นเราเป็นของของเราเนี่ย นะดูอย่างไรเราิึงจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการอาการของรูปอาการของนามนะพยายามฝึกแบบนั้นดูไฟนะค่อยๆถอนค่อยๆดูไฟแบบนี้นนะไปเรื่อยๆนะทาเท่าที่ทำได้แต่โยมนะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเราจะมีสติตลอดเวลาหรอกแต่การเจรเดินคือการทำให้มากนะคือการขยันนะไม่ใช่ขยันเพียงแค่ภายนอกนะ แต่จริงขยันภายในนะจะทำอะไรเนะ่นะเรารู้ตัวนะไม่ต้องรู้เพื่อโชว์ใครแต่รู้เพื่อรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองแค่นั้นแหละนะเราขยันตัวเนี้ยให้มากม า, กมากบางทีที่จริงการภาวนามันไม่ได้ยากนะแต่มันยากตรงที่คนจะทำแบบตั้งใจจริงหรือเปล่า รูปแบบที่สอนน่ะที่จริงสอนกันแค่นี้แหล ะ, ะครูบาอาจารย์ก็สอนแค่นี้แหละนะก็เทศแค่นี้แหละแต่พวกเราจะเอาไปทํากันจริงๆริงหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มาว่าอืมมันก็หายากนะเอ่าหลวงพ่อเทียนต้องพูดเลยนะคนจริงรู้ของจริงนคนจริงอะไรคนทําจริงนะคนตั้งใจจริงนะ รู้ของจริงแต่ถ้ามาทำเล่นๆนะหรือว่ามาลองๆทำนะแล้วก็นะไม่ได้ทำต่อเนื่องมันก็ดูแบบเราได้เคยทำแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมเหมือนเราไปฝึกเวิร์กช็อปอะไรต่างๆหรือเราได้อ่านได้ศึกษาอะไรสักอย่างนะเหมือนรู้อะรู้ในหัวนะหรือรู้ได้ลองทำนิดนึงแต่ถามว่ามันทาได้จริงหรือยัง ยังเหมือนเราเรียนภาคทฤษฎีหรือว่าได้ฝึกงานนิดหน่อยเนี่ยมันแค่พอทำได้นะเพียงแค่ได้ทำเป็นนิดหน่อยนะมันยังเป็นเพียงแค่ผู้รู้นะเป็นผู้รู้ธรรมะนะเป็นผู้รู้วิธีปฏิบัติธรรมแต่เมื่อไหรล่ล่ะที่เราจะทำจริงๆเนะี่ยเราถึงจะเป็นผู้ที่มีธรรมะนะผู้รู้ธรรมะกับผู้มีธรรมะนี่ต่างกันนะนะ ผู้รู้เนี่ยเออบางทีมันคิดได้นะมันพูดได้นะแต่ผู้มีเนี่ยความมีธรรมะเนี่ยมันเข้าไปแทนที่ความเป็นตัวเป็นตนนะบางทีผู้รู้เนี่ยยังมีตัวตนตัวตนที่ว่าเดารู้นะแต่การมีธรรมะเนี่ยธรรมะเข้าไปมีในใจของเราเนี่ยมันแทนตัวแทนตนนะมันเบียดพื้นที่ความตัวตนออกไปจากใจนะ นะอันนั้นอ่ะมันสบายกว่าเราจะภาวนาอย่างไรจนทั้งเนะี่ยมันมีธรรมะนะในใจเนี่ยแหละนะต้องขยันเนาะอนะไม่มีอะไรมากกว่านี้ขยันขยันให้ถูกทางนะขยันเจริญสติเนี่ยแหละนะสำคัญที่สุดนะนะแต่ทำอะไรก็เหมือนกันนะอย่างวันนี้ญาติโยมก็ต้องกลับไปนะที่บ้านนะ กลับไปทํางานต่อเนะี่ยเราจะเจอสติอย่างไรนะกายเราก็มีนะเนะี่ยนั่นแหละรู้สึกไปนะจะยืนเดินนั่งนอนนะพยายามรู้สึกนะ่ะึ่งเนี่ยเท่าที่ทําได้นะอตอนตั้งใจทํางานก็ตั้งใจทํางานไปนะแต่ตอนไหนใจมันปรุงแต่งขณะที่ทํางานนะให้เรารู้ทันนะตอนไหนที่เกิดเเครียดใน ในจิตในใจก็ให้เรารู้ทันนะตอนไหนเราหลงไปนะเพราะสิ่งกระทบนะให้เรารู้ทันบางทีเราดีดเกลีก้ยงอารมณ์กระทบไม่ได้นะเราจะต้องเจอกับสภาวะงานที่อาจจะบุ้นอาจจะยุ่งเจอผู้คนเจอสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไม่สงบนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะภาวนาไม่ได้นะเราเอาศัยตรงนั้นแหละเป็นบทในการภาวนาเลยนะ คล้ายๆเหมือนเป็นข้อสอบจริงๆไปเลยนะทําได้เท่าเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละนะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเอาเต็มร้อยนะจะต้องเอาเกรดเอนะไม่ไม่ต้องคิดอย่างนั้นถ้าคิดแบบนั้ น, นเครียดนะเพราะว่าอารมณ์กระทบมันเยอ ะ, ะสิ่งที่ชวนให้หลงมันเยอะแต่ลองทําให้มันนะเท่าที่ทําได้นะเวลาตาเห็นรูป มีสติรู้ทันถ้าสติไม่รู้ทันเห็นรูปแล้วมันจะปรุงไปชอบไมปไปไม่ชอบนะนะเวลาหูได้ยินเสียงมีสติรู้ทันนะรู้ทันอะไรรู้ทันความพอใจรู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในใจของเราหรือบางทีปฏิยาบางอย่างนะมันก็เกิดขึ้นที่กายบางทีเราก็รู้ทันที่กายก็ได้นะ บางทีเช่นความโกรธเกิดขึ้นในใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเนะี่ยมันมีความร้อนมันมีความอึดอัดมันมีความรู้สึกเหมือนไม่สบายตัวเกร็งในใจในในตัวเนะี่ยเราก็รู้แบบนั้นก็ได้อืมหายใจถี่ขึ้นแล้วเนาะอะไรนะนนะใจมันแน่นแล้วเนาะอะไรนะนนะอืมมันรู้สึกไม่สบายแล้วเนาะอะไรนะ เราก็ดูอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นจริงนะแต่ถ้ามันไม่คิดไม่ปรุงอะไรเราก็รู้กายของเราไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นพื้นฐานให้เราได้มีเครื่องอยู่นะมีเครื่องอยู่เวลาเราใช้ชีวิตเนะี่ยเครื่องอยู่จริงๆนี่แหละคือเราจะอยู่กับตัวของเราเองได้อย่างไรนะนะพยายามฝึกตรงนี้ยให้เยอะๆนะมันทําได้นะทำได้จริงวิธีการแบบหลวงพ่อเทียนนะเอาไปประยุกต์กับ ชีวิตประจำวันได้ได้ดีมากๆกนะการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเรายกมือไม่ใช่สิบสี่ท่าคือนต้องทำสิบสี่ท่าแบบนี้นะเรายกมือสิบสี่ท่าเพื่อเราจะได้รู้สึกทุกครั้งหรือว่ารู้สึกตัวบ่อยๆเวลามือมันเคลื่อนนอะเวลาเรากวาดบ้านเวลาเราถูบ้านเวลาเราแปรงฟันเวลาเราทำกับข้าวเวลาเราลดน้ำต้นไม้เนี่ย ใช้มือทั้งนั้นนะมือเราเคลื่อนเรารู้สึกนะเราเดินไปห้องน้ําเราเดินไปรถเราเดินไปที่ทํางานเราเดินบนถนนหัวน้ำก็เหมือนทางเดินจงกรมของเรานั่นแหละนะเพียงแต่ว่าไม่ได้กลับไปกลับมานะนะเราเดินตรงไหนเราสัมผัสรู้ตัวว่าเดินอยู่รู้สึกถึงการกระทบรู้สึกถึงการเคลื่อนรู้สึก รวมๆของร่างกายที่เดินอยู่เนะี่ยนั่นแหละคือเราภาวนาแล้วนอบางทีเราภาวนาในรูปแบบนะบางคนนะบางคนเกรงบางคนเกรงนะกลัวจะไม่รู้กลัวจะหลงบางทีก็ก็เลยแบบรู้สึกไม่ค่อยได้ผลแต่บางทีถ้าเราลองทาคล้ายๆทำแบบสบายๆสยักหน่อยนะเราเดินแบบสบายๆนะ เดินสบายๆเลยไ ม, ไม่ได้รีบไปไหนแต่ก็ไม่ได้ช้าเกินไปเหมนะือนน่ะเดินในจังหวะที่เรารู้สึกร่างกายมันสบายนะ่ะมันพอดีระดับตัวเราเองแบบมาณนะั้นเดินพอดีพอดีนะความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นง่ายนะนะ่ะถ้าเราฝึกแบบเนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยมันก็จะเปลี่ยนจากคนที่เคยเดินเร็วไม่รู้ตัวว่าเราเดินเร็วเพราะอะไรนะ่ะ ที่จริงเดินเร็วเพราะใจเรารีบใจเราร้อนเนาะอยากให้ไปถึงเร็วๆแต่พอเราเดินมีสติขึ้นนะความเร็วมันก็ลดลงเต็มก็ไม่ใช่ช้าเกินไปนะมันจะพอดีพอดีมันจะรู้สึกว่าเออ จ, จังหวะเนี้ยพอดีกับสำหรับเราเพราะเดินเร็วเกินไปเนี่ยกายก็เหนื่อยใจก็เหนื่อยนะเดินช้าเกินไปบางทีก็เครียดนะบางทีก็รู้สึกว่าอึดอัดนะ อันนี้เออพอดีพอดีเป็นแบบนี้เนาะเดินแบบนี้พอดีนะกินข้าวแบบนี้พอดีนะมันจะรู้สึกเองนะ <c oughs> บางทีเราก็ดีบแบบไม่รู้ตัวนะหรือ บ, บางทีก็มือไปแบบไม่รู้ตัวนะทำอะไรเองก็เหมือนกันนะอ๋อจะรู้สึกเองหาจังหวะที่มันพอดีได้นะเพราะอะไรเพราะสติมันไปจะเป็นตัวปรับนะสติจะเป็นตัวปรับนะนะทุกอย่างเลยนะสติจะเป็นตัวปรับ นะปรับความพอดีในการใช้ชีวิตนะปรับความกับปรับทัศนคติทุกอย่างในจิตในใจของเรานะศรัทธออามันก็จะเกิดขึ้นเองแหละนะไม่ใช่ศรัทธานะเพราะว่าเชื่อแบบตามคนอื่นเข้ามาแต่เราจะเกิดศรัทธาเห็นเองแหละว่าโอ้การภาวนาการปฏิบัติธรรมมันดีอย่างไรเนะ มันจะเกิดศรัทธาตั้งมั่นขึ้นเองคนอื่นไม่ทําก็เรื่องของเขาเราทําของเราเองนะมันจะมีความมั่นใจมีความศรัทธามีความมั่นคงอนั่นนะนะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นเองแหลนะเพราะเหตุอะไรเพราะเรารู้ว่าพอเรามีสติใจมันไม่ทุกข์พอเรามีสติมันมีความสุขสบายแต่ไม่ใช่สุขแบบร่องรอยนะสนุกสนานมันรู้สึกว่าเออ ชีวิตเรามีที่พึ่งชีวิตเรามีหลักนะเราก็ทําของเรานะไม่ต้องสนคนอื่นนะแต่ไม่ใช่ไม่สนโลกนะแต่ไม่ถึงว่าไม่แคร์ถ้าคนอื่นจะมองว่าทําไมเราถึงต้องขยันภาวนานะเพราะว่าเราเห็นผลนะที่จริงก็คือเพราะว่าเราไม่ประมาทในชีวิตนั่นแหละนะชีวิตเรามันไม่เที่ยงจริงๆนะ เรานั่งรถไปไม่ได้ว่าแช่งนะมาก็เวลาเรานั่งรถทุกครั้งนะนั่งเครื่องบินก็ก็แบบภาวนาในใจแหละจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแล้วแต่แล้วแต่กรรมแล้วกัน <c oughs> แล้วแต่โชเฟอร์แล้วกันนะออก็เราก็ภาวนานะเราก็ช่วยไม่ได้นะวางไปเลยนะนะแต่เราขณะที่เรานั่งเราก็ไม่ได้นั่งใจรอยเนาะไม่นั่งไม่ได้นั่งกงนนะังวล เราก็นั่งมีสติของเราไปนะนะถ้าตายตอนที่มีสติเนี่ยก็มันก็ไปดีใช่ั้ยแต่ถ้าตายตอนที่กังวลตอนที่กลัวตอนที่หลงมันจะไปไหนนะก็ไปตามที่ความหลงนั่นแหละใช่ไหมเพราะนั้นชีวิตเราจะสั้นจะยาวที่จริงมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าขณะที่เราใช้ชีวิตนะเราใช้ชีวิตอย่างไรนะเราใช้ชีวิตอย่าง ใช้ชีวิตไปผ่านไปวันวนะันนะวนเวียนกับความสุขความทุกข์วนะนเวียนกับความพอใจไม่ความไม่พอใจแค่นั้นเหรอชีวิตเรานะเราเอาชีวิตที่เหลือของเรามาใช้ในการพัฒนาใจนะให้มันไม่ทุกขนะ์พัฒนาใจให้มันเข้าถึงความจริงของชีวิตดีกว่าไหมนะ เนาะอยากให้พวกเราได้นะชีวิตนี้เนาะมันไม่มันไม่ยาวมันไม่มากนะให้เราใช้ชีวิตเราให้คุ้มค่านะอาศัยการภาวนาการมีสติเนี่ยแหละนะให้เป็นเพื่อนในการใช้ชีวิตของเราเมื่อถึงคราวเราป่วยเมื่อถึงคราวเราใกล้จะตายเนะี่ยมันจะเป็นที่พึ่งได้จริงๆนะมาเห็นผู้ป่วยหลายคนลนะ หมอก็เต็มที่ญาติพี่น้องก็เต็มที่ยาก็เต็มที่แต่ถ้าตัวเองไม่ตัวเองไม่ช่วยตัวเองเนี่ยยากมากเลยถ้าใจเราไม่ไหวถ้าใจเราไม่สู้ถ้าใจเราทุกข์เนี่ยบางทียาดีที่สุดก็ไม่ตอบสนองอาหารดีขนาดไหนบางทีก็กินเข้าไปก็ไม่ย่อยใจไม่สู้แล้วทุกอย่างมันก็ไม่ดีไปหมดแต่ถ้าใจเรา ใจเราดีใจเราวางได้เนะี่ยบางทีก็อยู่ได้แบบเป็นปฏิหารเล่นะอยู่ไปเรื่อยอยังมียาติธรรมเนาะหลายคนก็อาจจะรู้จักอาจารย์กำพลทองบนนุ่มนะเป็นลูกศิษย์งพ่อคำเขียนนี่แหละนะก็เป็นมะเดงตับน่าจะปีสองปีละนะหมอก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนนะ แต่นี้ก็อยู่มาเป็นปีกว่าลนะนะก็จนทั้งหมอที่รักษาก็รู้สึกว่าทําไมอาการมะเร็งอาการตับเนี่ยมันคงที่ทั้งที่อาจารย์เองไม่ได้รักษาอะไรไปคือไม่ได้รักษามะเร็งน ะ, นะก็แค่รักษาไปตามอาการไปเรื่อยแต่เพราะใจดีเบางทีใจดีนี่แหละอาจจะรักษากายให้มันไม่สุดไปมากกว่านั้ น, นะ เพราะใจดีนะมันทำให้เราไม่กังวลไม่ไปเพิ่มความทุกข์นะกับกายนะใจมันปล่อยใจมันวางใจมันดีมันก็ทำให้กายมันก็อยู่ไปเรื่อยๆนะถึงตอนนี้เองก็ยังปีที่แล้วกับวันนี้นะอาการทางกายก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมะมันช่วยรักษาใจนะแล้วก็ช่วยรักษากายด้วยนะ แต่ถ้าใจเราไม่ดีนะบางทีก็อาจจะไปเร็วก็ได้นะเนาะให้พวกเราระลึกถึงตอนนี้บ่อยๆเนาะใครมีปัญญานะก็จะขยันอก็จะเอาไปใช้ต่อนะใครที่ไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาก็อาจจะเพียงแค่ได้ได้มาฝึกได้มาลองแล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะหลวงพ่อท่านก็บอกถึงข่าวจนก็ ระลึกให้ได้นะว่าเราเคยฝึกแบบนี้นะแล้วก็เอาไปใช้ให้เป็นที่พึ่งของเรานะแต่ถ้าใครเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เตรียมพร้อมไว้เถอะนะน่ะเตรียมพร้อมไม่เถอะบางทีถึงข่าวขับขันบางทีเราคิดจะพึ่งจริงๆรงบางทีเวทนามันหนักหนักบางทีก็ฝึกยากนะหรือบางทีถ้าเราไปแบบอุปัติเหตุบางทีมันก็มีรู้เนาะ ไม่ทันจะได้ตั้งตัวตั้งใจเตรียมตัวเตรียมใจเลยก็ไปละนะมันก็ยากนะอันนั้นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ไม่ประมาทก็จะเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะนะฝึกสติในตอนนี้นะเตรียมตัวเตรียมใจในตอนนี้นะปล่อยวางในตอนนี้แหละไม่ต้องรอตอนใกล้ๆนะจะตายนะไม่ต้องรอตอนที่ใกล้ๆจะเสียชีวิตเนาะ ถ้าเราเริ่มปล่อยตัย้งแต่ตอนนี้แหละการงานอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ปล่อยไปบ้างข้าวของเครื่องใช้อะไรที่มันไม่จําเป็นก็ปล่อยไปบ้างนะอะไรต่างๆที่มันไม่จําเป็นก็ให้รู้จักปล่อยรู้จักบ้างตั้งแต่ตอนนี้แหละมันจะได้ง่ายนะถ้าเราเคยฝึกปล่อยฝึกบ้างในต่นนี้มันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นบางทีจะรอไปปล่อยในตอนสุดท้ายบางทีมันยากเพราะเราเคยยึดเราเคยถือ เราเคยแบกมันมามากนะบางทีมันก็ยากนะนะที่จะปล่อยเสียทีเดียวไปเลยนะต้องค่อยๆฝึกปล่อยไปเรื่อยๆอันนั้นคือทานนะนะคือการสะระนะคือการละนะเมื่อเรารู้จักละรู้จักสลระรู้จักวางเนะี่ยตัวตนมันก็จะไม่มีที่ตั้งนะมันก็จะอืมมันก็จะอื ม, มเข้ามาแล้วแล้วก็ วางไปเข้ามาแล้วก็วางไปนะตัวตนจริงๆก็คือเนี่ยความคิดปรุงแต่งนี่แหละนะมันจะก่อรูปก่อร่างเป็นตัวเป็นตนนะให้เรารู้ทันความปรุงแต่งในจิตเห็นความปรุงแต่งในจิตมันเป็นเพียงแค่อาการของจิตนะมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนาะมันเป็นเพียงแค่อาการเห็นรูปก็เหมือนกันนะเห็นรูปเขาเดินเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็เป็นเพียงแค่อาการนะ ไม่ใช่ว่ารูปของเรานะเราก็ดูไปแบบนั้นนะ่ะเมื่อเกิดความทุกข์เกิดกับรูปนะเวทนาเกิดขึ้นกับรูปก็ดูเป็นเพียงแค่เอออาการปวดอาการเมื่อยอาการร้อนอาการหนาวอาการหิวนะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่อาการนะ่ะดูแบบนี้แหละเราจะค่อยๆถ่ายถอนความเห็นผิดนะว่ามีตัวมีตนจริงๆเนอะน่นก็ฝากไว้นะอากาศถักก้อนกัน